ขอความเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หรวงปูโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องมารทิีดาคือธิดาของพญามารที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมุ่งหมายที่จะนำพระพุทธเจ้าไปสู่อำนาจของพญามารก็ได้พูดถึงคำกล่าวของนาง อรารตีคือทิ้งว้เพียงแต่บอกว่านางกล่าวว่ายังไงแต่อย่างไม่ได้เสนอประเด็นที่ควรพิาพจรารณาคือนางอรารตีนั้นกล่าวว่าภิกษุในศาสนานี้มีปกติอยู่ได้ทำเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนมากจึงข้ามโอชาทั้งห้าแล้วเวลานี้ได้ข้ามโอชาที่หกแล้ว การมาสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ซึ่งบุคคลูุเพ่งฌานอย่างไหนมากออประเด็นที่ควรทำความเข้าใจกับวันก่อนได้พูดเรื่องสัญยชน์อยู่สองในยะจะพูดไว้เพียงในยะเดียวเพราะว่ามีการอธิบายที่แตกต่างกันในเชิงรูปแบบนะคะจะเหมือนกันในเชิงเนื้อหา เนื่องจากท่านใช้คำโอคะที่แปล ว, ว่าห่วงน้ําคือกิเลสซึ่งพัดผันจิตใจของบุคคลไปสวมหน้าของตนในพระบาลีมีการจําแนกแสดงไว้เพียงสี่ข้อคือกามโอคะโอคะห่วงน้ําคือกามปะโวคะห่วงน้ําคือพบปิตโขคะห่วงน้ําคือทิฐิและวิโชคะห่วงน้ำเคืออคอคอค้อวิชา ซึ่งท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคือโล ก, กุดลงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสะท้อนภาพของกิเลสประเภทโลภะกับประเภทโมหะออกมาแล้วในทั้งสองเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีใครกัดขวางมีใครไม่ยอมก็จะเกิดโทสะโทสะก็เป็นกิเลสแฝงไป กามโมฆะวัน้ําคือกามนั้นก็จะเน้นไปที่กิเลสประเภทโลภะหรือพวกกา ม, มาณตนะโดยพึงสังเกตว่าถ้าใครไปขัดขวางไม่ให้ได้มันก็เกิดโทษสัมหรือว่าได้มันแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกะคือเกิดโศกปวะฆะ โ, คโอคะคือพบคว า, ามต้องการมีต้องการเป็นในฐานะต่างๆก็คือภวะตัณหาตัณนเอง ก็เป็นอาการกิเลสประเภทคว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแต่เน้นไปที่เพื่อเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตนพอใจพอถ้าได้เป็นมันก็เกิดความอยากเป็นไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ในที่สุดถ้าเกิดขัดขวางใครขัดขวางการเป็นของตนเองก็จะเกิดโทสะแต่ได้ตามที่เป็นก็จะผลโลภะ ทีนี้ถ้าผิดหวังคือไม่ได้เป็นก็จะเกิดโศกะมันก็หมุนกันอยู่ในระหว่างกิเลสกะพูดง่ายๆว่าวกับระหว่างทุกข์กับสมุ ท, ทัยทีนี้ทิฏโคะในโคะคือทิฐิในที่นี้หมายถึงความเห็นผิดซึ่งเป็นอาการของโมหะแต่ทีนี้ถ้าเห็นใครเห็นคล้อยตามท่านเนี่ยท่านก็เกิดโลภะคืออยากให้คนเห็นตามมากๆพระเจ้าละที่ต่างๆจึงประกาศทิฐิของตัวเอง ลองสังเกตว่าความคิดระดับโคมนิต์เนี่ยมันก็คือทิฐิประกันเง่งกเกิดต้องการในคนเห็นคล้อยตามท่านพอเขาไม่เห็นก็เกิดโกรธแล้วก็กลายเป็นจุดสงครามเข็นฆ่าทำลายล่างกันมันเป็นเรื่องกับความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ น, นั้นเองแต่มันเกิดโลภะโทสะเพราะมันสืบเนื่องมาจากโมหะหมายความมาถ้าใครเห็นด้วยกับเราเราก็อยากเห็นด้วยเพิ่มขึ้น ถ้าไมาเห็นด้วยกันเราเราก็มองเขาเป็นศัตรูก็เกิดโทษสัตย์แล้วในที่สุดบางทีในการขัดแย้งกันในด้านความเห็นเนยนําไปสู่การทำลายล้างกันเพรานโบราณในท่านจึงวางเป็นเกณฑ์ไว้ว่าคารวาสเนี่ยมันทะเลาะกันเพราะการรมนักบวชเนี่ยทะเลาะกันเพราะทิฐิเพราะนั้นเราจะเห็นว่าโอคาสามข้อเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่นําไปสู่การทะเลาะวิวาดกัน เอโาโชกะวงน้ําเกลือวิสาก็เป็นประเภทของโมฆะ ต, ตอนนี้ท่านก็ไปเติมให้เห็นแสดงถึงสภาพประไทของพระพุทธเจ้าว่าไม่ยินดียินได้นนในสิ่งที่ทรงสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพธะธรรมรมณ์ตัว น, นี้เรียกว่าโอคะเป็นก็เป็นห้าหรือท่านนับกันคึ้นก็เป็นห้าแต่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ที่จริงมันเป็นการสะท้อนถึงสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสประเภทเหล่านั้นอยู่ คนพระเจ้าจึงไม่ยินดียินได้แต่ถ้าเรายังมีกิเลสประเภทเหล่านั้นอยู่มันก็ต้องมีความยินดียินได้ทีนี้กีเอะไรโอคะประเภทที่หกเนี่ยท่านสรุปเลยสรุปก็คือตัวที่สมบัคริพระพุทธเจ้าก็คือศัจรุลูแต่แก่บรรลุอาสวรกายหรือ ว, รว่ากตยานหรือว่าสัพพยุตยานก็ตามนะฮะก็หมายความมาทําลายวิชาได้หมดสิน้น ที่ท่นานใช้ส่มากทีาาก่จะใช้เขามาจิตหลุดพ้นแล้วจากอาศสวาททั้งหลายไม่ถือบั้นโดยอุปาทานแน่อุปาทานมันก็อีกแหละก็คือกิลเลสประเภทโอฆาที่ว่าไว้ในตอนต้นนั่นเองแต่พูดในกรณีที่จิตมันยึดติดในสิ่งเหล่านั้นด้วยหน้าของตานาและอุปาทาน เป็นการมูปาทานที่ถุกปาทานศีละพตุป า, า, ตาทป า, านอตตวาถุปาทานก็ซึ่งก็เป็นอาการของโมหะกะโลภะเหมือนเดิม๋ยวทุกข้อก็พร้อมจะกรดทีนี้อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยท่เน้นไปที่อกอ่าสังโยชนิปการแต่ท่านเรียกใหม่นะฮะเรียกว่าเป็นโอคะนิประการ ก็ได้แก่สังโยชน์ที่เป็นมาตรวัดสภาพจิตของพระยบุคคลคือปะโซดะบนันเนี่ยท่าละสังโยชน์ที่สามคือสักกายทิฏฐิความเหม็นเป็นเหตุถือตัวถือ ต, ต, ตนมีตัวมีตนตนเป็นกันาหน้ากันหนาเป็นตนตนมีในกันหน้ากันหนามีในต น, น, น, น, น, นเป็นตนเนี่ยะก็ว่ากันไปเรื่อยๆระโสดะบนันท่านทํำลายได้หรือโสดาปฏิมากรก็ทําลายได้แล้วก็ วิจิกิจจาคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธญาประธรรมประสงค์ในไตรสิกขาในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยการและศีลปัตตระมาศการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่เข้าใจว่าขังว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าถูกต้องดีงามถละได้แต่ก็ไม่ใช่ไปด่าคนดีละไม่ได้นะอันนี้คือประเด็นที่สําคัญคือบางทีเนี่ยเรา เรามองเฉพาะสิ่งที่เราละแต่ไม่มองสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่เราละสิ่งเหล่านั้นได้ก็หมายความว่าเราเว้นบาปอย่างหนึ่งแต่เราก็กลับไปทําบาปอย่างหนึ่งโดยไม่เข้าใจวันนั้นก็คือบาปเช่นยะกตัว อ, อย่างว่าคนบางคนเคยสูบบุหรี่แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ได้จนถึงจุดหนึ่งก็รังเกียจ บ, บุหรี่แล้วรังเกียดคนสูบบุหรี่ คือแทนที่จะหาเหตุผลมาพูดคุยกันชี้แจงกันอธิบายพวกของการสูบบุหรีเาาร่เขาทาบก็ไม่ไปด่าเขาพวกสูบบุหรี่กินขี้หมาดีกว่าอะไรอะไรเนี่ยก็ชอบค่อยชอบพูดกันดื่มเหล้ากินขี้หมาดีกว่าอะไรเนี่ยถึงเราจะเห็นว่ามันก็เป็นคำหยาในคําด่าทีนี้ถ้าถามว่าไอ้คําด่าเหล่านั้นกับการสูบบุหรี่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคือบุหรี่เนี่ยมันไม่ถึงสุรา เห็นว่ามันไม่ถึงกับเกณฑ์ของสุราแต่ว่าการด่าเนี่เป็นวจีทุจริตแล้วก็อยู่ในกลุ่มของวจีทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าคนเขา้าใจคิดแล้วก็คือเลิกสุบุรีด้วยแล้วก็เลิกด่าคนอื่นด้วยก็ได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเว้นบาปเรื่องหนึ่งแล้วก็กลับไปทําบาปเรื่องหนึ่งซึ่งก็เจ้ากับพอดีก็คกล้ๆกับว่า เราก็เจ็ดพื้นสะอาดแล้วโครนสตร์โคร롬ลงไปใหม่ก็เรียบร้อยก็เหมือนเดิมหรือบางทีก็อาจจะเพื่อนกว่าเดิมนะฮะโครนกับฝุบ่นที่เราวาดเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วก็พระสักฐฐกคามีเนี่ยคก็ละคือทำละได้สามอย่างนี้แต่ว่าราคาโทสะโมหะของท่านเบาลงเบาขนาดไหนยังไม่เคยพบที่มานะฮะ แต่ว่าไม่เคยพบว่าพระสกิตาคามีมีครอบครัวก็แสดงวราคามันจางลงไปเยอะต่อไปก็เป็นกา ร, รมราคะคือจิตกําหนัดในสิ่งที่ใคร่ด้วยอํานาจของความใครท่านเรียกแค่กามราคค่ะแต่หมายความว่าสิ่งที่จิตกําหนัดมันประณีตขึ้นเยอะนะฮะเพราะว่าเลยพระโซดาสกิตาคามาแล้วก็เป็นพระนาคาทละได้ แล้วปฏิฆะคือความหงุดหงิดความกระตบกกระทั่งทางใจในการไม่พอใจไปตรงนี้ก็ถือว่าห้าเขาเรียกว่าโอรัมพาคิยาสังโยชน้าประการพระอริยบุคคลสามประเภทแรกละได้แล้วก็ต่อไปก็คือสังโยชน์สังโยชน์ที่หกเนี่ยท่านรวมคือรวมหกเป็นหนึ่งเลยเอาห้าเป็นหนึ่งก็เป็นสังโยชน์ที่ประณีตกิเลสที่ประนีตนะ หรือตามองอีกระดับหนึ่งถ้าเขาเรียงละนี้นะฮะมีก็แม้มาเรียงอย่างนี้คือรูปประคะคือความกำหนัดจิตติดในรูปประชานรูปประาคาับความกำหนัดจิตติดในรูปประชานที่จริงมันจิตปรนนีเดเยอะนะฮะแต่ในแง่จริงๆแล้วมันก็ทำให้เกิดในสังสารวัฏคือไม่หลุดพ้นจากสังสารทุกภวันก็ต้องลาเหมือนกันมานะความถือตัว อุตจักระฟังฟุ้งแต่ไม่ได้ฟุ้งอุตรลดอย่างสามัญชนหรอกแล้วก็อวิชาห้าอย่างนี้ท่านรวมเป็นหนึ่งก็กลายเป็นสังโยชน์ที่หกอันนี้ก็เป็นเรื่องทางวิชาการนะฮะแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็ไม่มีอะไรไปจากโลกกฎลงคือสิบข้อ น, นี้ถ้าเราเอามาเกาะกลุ่มแล้วก็จะเห็นว่าเป็นอาการของโลกกฎลงเพียงแต่อยาบกลางประณีแตกต่างกันเท่านั้นเอง ทีนี้การมสัญญาคือการกําหนดหมายว่าสิ่งนี้น่าใคร่ที่การกําหนดหมายว่าสิ่งนี้น่าใคร่เนี่ยเราต้องมีกิเลสเป็นเหตุให้กำหนดหมายแต่รู้แต่เจ้าทําลายถึงรากก็ เ, เรียกว่าการมาธาตุเนี่ยมันทํำลายไปถึงรากเพราะฉะเมื่อการมสัญญาไม่มีการมาธาตุคือความพอใจในวัตถุตรงนั้นก็ไม่มี กามาสังกระป๋คือดำริถึงด้วยความใคร่มันก็ไม่มีไม่มีถึงเมื่อไม่มีเนี่ยฮะการกําหนดหมายว่าหน้าใคร่มันก็ไม่มีก็ไม่มีมาตั้งแต่ต้ น, นตั้งแต่ต้นนั่นแหละเราทานองที่เคยยกตัวอย่างว่าหัวรถจักรทั้งกระบวนเนี่ยระตรอดรถจักออกอย่างเดื่นมันก็จบ ทีนี้การมาสัญญาเหล่าเนี้ย่อมพ้อมล้อมไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้เพ่งฌานอย่างไหนมากเป็นคําถามนะครเป็นคําถามพระเจ้ารับสั่งบุคคลมีกายอันสงบแล้วมีการสงบคืออะไรคือไม่ทําบา ป, ปกายในชั้นนี้พูดถึงการไม่ทําบาปนะกายสงบใหมายถึงว่าไม่ทําบา ป, ปกายก็คือสงบระดับศีลรวมถึงการพูดด้วย หมายความว่ากายสงบว่าใจาสงบเป็นการพูดข้อปฏิบัติระดับศีลศีลนั้นพึงสังเกตว่าแม้แต่ศีลห้าข้อเนี่ยคือกายสงบกับว่าใจาสงบแน่นอนปริมาณกิเลสภายในใจก็ต้องสงบตามลงไปด้วยนะทะาไม่สงบมากก็สงบไปได้แล้วแล้วก็มีจิตอันหลุดพ้นดีแล้วเป็นการรวบไปเลยจิตหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะฮะที่เรียกมาในตอนเนี้เราเห็นว่าเรียกว่าอคะเรียกว่าสังโยชน์เรียกว่าอาสวะก็ไม่มีอะไรก็คือโรคปวดลงเป็นการหลุดพ้นอย่างดีคือหลุดพ้นโดยไม่กำเริบเพระตามปกติแล้วคนเราเวลาหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยมาหลุดพ้นได้บางเรื่องนะ่ะบางเรื่องหลุดพ้นไม่ได้ในบางกรณี เราอาจจะไม่โกรธแต่บางกนนี้ก็อาจจะโกรธบางเวลาอาจจะไม่โกรธบางเวลาอาจจะโกรธเช่นว่เรื่องเดียวกันคนด่าเราคนเดียวกันเนี่ยบางทีเราไม่โกรธบางทีเราก็อาจจะโกรธทั้งๆที่คนด่าคนเดียวกันแต่ว่าอารมณ์เราเนี่ยสภาพจิตเรามันแตกต่างกันบางครั้งจิตใจมีความเข้มแข็งสภาพจิตดีอยู่ก็สามารถที่จะฟังคาด่าเหล่านั้นได้ แต่บางครั้งมันมีพื้นฐานหงุดหงิดมาก่อนก็มาเจอเข้ากระแทกนิดเดียวก็ไปเลยนั่นคือธรรมดามนุษย์แต่ว่าตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันก็เอาพระองค์เป็นสูตรในการตอบนะบเพราะว่ายังไม่มีภิกษุรูปอื่นยังไม่มีภิกษุรูปอื่นที่จะเป็นตัวสะท้อนนะมีพระอรหันต์อยู่รูปเดียวทั้งโลกเนี่ยมีอยู่องค์เดียวแต่นั้นเอง ในขณะนั้นก็งั้นประก็สะท้อนจากพระไตยของพระองค์เป็นการบอกกล่าวโดยในนะฮะแล้วก็เป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งหมายความว่ากิเลส ท, ที่เข้ามาปรุงก็ เ, เรียกอกุกษเจตสิกทั้งหลายํานวนธรรมะก็อุศษเจตสิกทั้งหลายเนี่ยไม่เข้ามาปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นจิตมันเข้าถึงสิ่งอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิสังขารก็คือนิพพานเนี่ยท่านเรียกว่าวิสังขาร ก็หมายความว่าเป็นโลกุตรจิตนั่นแหละแต่มันไม่มีกิเลสทำมาไปปรุงแต่งให้เกิดกำหนับร่าไรเพลิดเพลินชื่นชมยินดีจนเกิดเป็นกามสัญญาเนี่ยให้ลองสังเกตว่าการกําหนดว่าหน้าใครเนี่ยมันจะต้องศึกษาเรียนรู้มานะฮะหมายความว่าไม่ใช่ว่านิ่งๆไปหน้าใครขึ้นมาเฉยๆมันจะต้องเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ซ้ำซาก แต่ในสุดจิตก็จะเริ่มกําหนดคือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นต้องเยอะนะจึงจะเกิดความกําหนังขึ้นมาไม่ใช่กําหนังสเปซสะปะไปแต่ทีนี้ของพระไทยของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสเ ท, ทปรุงให้เป็นเกิดการมสัญญาอย่างนั้นเพรา ะ, ะรเพราะว่าสติในสมบูรณ์เรศ ส, สติวิปุโลคือมีสติที่สมบูรณ์สติมันจะกั้นกิเลสได้โดยอัตโนมัติ เป็นเรื่องอัตโนมัติไปหมดเลยเที่ยวกรู้เท่าทันตามความเป็นจริงชัดเจนในขณะนั้นๆแล้วก็ภายในใจเนี่ยภายในพระไถยเขรยเรียกมันไม่มีอันใดคืออนนาลโยเนี่ยแต่วไม่มีอะไรไม่มีอะไรในอะไรไม่มีอะไรในกิเลสวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุในอันใดไม่มีอันัยนั้นท่านหมายถึงกรรมคุณนะหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิะธรรมรมเนี่ย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประรบถึงพื้นฐานจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายตอนแก่อนไอนตอนตอนที่ทรงพญาธรรมะซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปแล้วก็อธิบายถึงอะไรคือการมคุณทั้งหกประการซึ่งเราสังเกตว่าตอนหนึ่งทรงใช้คําคว่าบ่วงของมานหรือเครื่องปูกของมานตอนนี้ก็ใช้คําว่าอะไรอะไรก็คือใจที่ไม่ปูกพันุ์ไม่เยื่ไม่สินเนหาอะไร เมื่อก่อนเนี่ยพระอัตถกษถาจารย์ท่านอธิบายแล้วมาเองก็ติดอยู่ตั้งนานคือไม่ได้ไม่ได้เฉลียวใจเราก็อธิบายไปตามแบบครูคือท่านบอกว่าเหมือนกับสามีพญญยาที่ยาขาดกันแล้วก็ไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีสิเนหาอะไรอีกต่อไปวันหนึ่งไปอธิบายไปสอนวิชา ร, รมศึกษานคคำโทรนะฮะ กมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งท่านก็ติ๊งกันมาท่านบอกโอ๊ยไม่ได้นะท่านนะไอท้ทานค่อยเก่าในสำคัญนะอุปมาตรงนี้ไม่มีไ ม, ไม่ไม่สมเหตุสมผลก็เออน็นึกก็าเอก็จริงเพราะว่ามีพวเมียเป็นอันมากยังตามหึงตามหวงกันอยู่แล้วก็คืนดีกันอยู่เราก็คงยกสาวบ้านไม่ได้แล้วแต่เางั้นนะ่ะเบก็บอกก็เหมือนแกนคนที่ถมน้าลายทิ้งแล้วเนี่ย ไม่มีความคิดที่จะกลืนกินเข้าไปใหม่นะค่อยได้เรื่องหน่อยที่จริงอุปมาเหล่านี้มันก็มีอยู่ในในพระบาลีนะแต่ว่าตรงเนี้ยตั้นเกิดไปอุปมาพระตักษาจารย์อุปมานะไม่ใช่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปมาปเหมือนสามีปัญญาที่ยาขาดกันแล้วก็ไม่มีสิเนหาอะไรกันอีกต่อไปพูดไปพูดมาไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลก็ต้องเปลี่ยนวิธีอื่น แต่วิธีที่น้ําลายถมแล้วเนี่ยไม่กลืนกินนี่มันก็มีความชัดเจนความชัดเจนแล้วก็พูเฉพาะมนุษย์นะสัตว์ได้ฌานไม่แน่แล้วทีนี้ได้รู้ทั่วถึงธรรมและรู้ทั่วซึ่งธรรมคืออะไรก็คือสัพพยุตญาณสัพพยุตญาณนะรู้หมดรู้ทุกอย่างคือถ้าเราลองสังเกตดูให้ดีว่าผู้เจ้าเทศ อยู่ในแคว้นใหญ่ๆเนี่ยหลายแคว้นนะฮะแต่ไม่เคยใช้ล่ามเลยก็แสดงให้เห็นถึงว่านิรุติศาสตร์เนี่ยภาษาเนี่ยทรงแตกฉานหมดแต่ก็ใช้คำสอดคล้องกับพื้นฐานของคนในท้องถิ่นเหล่านั้นเพียงแต่ว่าทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดแห่งทุกเรื่องความดับทุกเรื่องข้อปฏิบัติได้ถึงสิ่งความดับทุกเพราะว่า ถ้าจะสอนให้ไกลตัวออกไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดไปอยู่อะไรขึ้นมาอแต่ว่ามีคนถามมาโลกนี้มันอยู่บนอะไรบอกอยู่บนน้าน้ําอยู่บนอะไรอยู่บนอากาศอากาศอยู่บนอะไรอยู่บนสุญยากาศไอ้ไม่ใช่น้ําก็อยู่บนลมนะฮะลมก็อยู่บนอากาศอากาศก็อยู่บนสุญยากาศมันมันมันเป็นออกไปเรื่อยๆหรือว่าถามวาสุญยากาศอยู่บนอะไรพุเจ้าบอกกอแล้วเปล่า คือเราเห็นว่าถ้าไปมันก็เจอสุญญากาศอีกแล้วก็เจออากาศอีกเจอดาวดวงอื่นมันก็เข้าสูตรเดิมแต่ปัญหาว่าพูดไปแล้วเนี่ยคนพิสูจน์ได้หรือเปล่าถ้าเขาเชื่อก็ดีไปแต่เขาไม่เชื่อเนี่ยเขาอาจจะด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบาปไอคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเพราะอะไรที่จะกระทบหระเทือนต่อจิตใจของคนใครก็ได้นะคือเขารู้สึกต่อดวงอย่างไงก็ได้ รวมมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ดังนันปัญหาอย่างหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราสังเกตติดตามให้ดีจะเห็นว่าในกรณีของบุคคลบางคนเนี่ยไม่รับสั่งแต่ไม่ใช่ไม่รับสั่งตลอดเพียงแต่ว่าในกรณีเนี่ยไม่แสดงไม่รับสั่งตรงนี้ไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรอะไรเนี่ยมันต้องมองให้ตลอดเราจะเห็นว่าบางทีก็แสดงอิทธิฤทธิ์มันไม่ใช่ไม่แสดงนี่เราพูดว่าไม่แสดงอย่างบางบางคนเนี่ย ไปพูดเลยไม่ไม่แสดงก็แสดงไม่เคยอ่านไม่ไรบิดก์ก็ถ้าอ่านแล้วก็ใจเห็นนะแสดงหรืออาจจะไม่เข้าใจวาริตคืออะไรเพียงแต่ว่าบางกรณีไม่แสดงบางกรณีแสดงแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเน้นที่อนุสาสนีปฏิหารคือความอหัศจรรย์แห่งคําสอนเท่านั้นทีนี้ลักษณะเหล่านี้เมื่อรู้ทั่วซึ่งธรรมเนี่ยมีปกติเพ่งอยู่ด้วยฌานที่สี่ อัหาวิจกไม่ได้ย่อไม่กำเริบไม่สั้นไปไม่เป็นผู้ย่อท้อคือนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหานทั้งหลายตามปกติเนี่ยท่านจะอยู่ด้วยฌานเพราะงั้นฌายโนอะไรต่ออะเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะท่านบอกว่าจะเข้าฌานระดับฌานที่สองคือทุติยฌาน เป็นฌานที่เด่นด้วยปีติสุขเอกคตาคือวิโตกวิจารณ์มันดับยจงเดือดใจสุขกับปีติสุขกับเอก ก, ะกะตาท่านบอกว่าเป็นเป็นฌานที่สงบยิ่งสมบรณ์บริสาก็มาหวานใจคือไม่รู้จะอธิบายยังไงภาษามก็สื่อยากนะท่านบอกวหวานใจยิ่งนักแต่วานใจยิ่งนักฟังกายเป็นมีปัญหาอีกว่าไหวความม่ายังไงเพราะฉะนั้นมาเป็นภาษาสัมผัส ซึ่งอธิบายไม่ได้แล้วก็ท่านอยู่ด้วยธรรมปีติคือเสวยธรรมปีติคือความเอเบียดในธรรมเพราะงั้นในปีติมันก็อยู่ที่ทุติยฌานคือปฐมฌานจะละวิตกขวิจารณจะได้ไม่ใช่ปฐมฌานมีวิตกขวิจารณปีติสุกับเอกกับกระถาพอถึงทุติยฌานเนี่ยมันดับวิตกขวิจารณ์ปีติจะเด่นสุกจะเด่นสมาธิจะสงบลึกลงไป เพราะมันเป็นตัวที่เสวยแต่ก็บอกว่าพระอราหันต์ทั้งหลายเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าด้วยก็จะเข้าไปอยู่ในฌานตรงนี้เวลาปกติทั่วไปเนี่ยพระไทยจะอยู่ที่ฌานเพราะนั้นท่านยังบอกว่าเพ่งอยู่อันหาวิตกไม่ได้ย่อไม่กําเริบไม่สั้นไปไม่เป็นผู้ย่อท้อหมายความาในขณะนั้นน่ะคือนักขณะไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ขนาดไหนก็เหมือนกันไม่กำเริบไม่สั้นไปไม่เป็นผู้ย่อท้อคืออ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์อะไรแต่ไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่อ่อนไหวไปตามนั้นนั่นก็คือคุณลักษณะเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอราหันต์โดยทั่วๆไปมาตรงเนี้ยเอาไปจับใครก็ได้นะที่เป็นพระหรัน แล้ท่านฟังลองสังเกตว่าถ้าชาวพูดคุณภาพพอสมควรนะนะคุณภาพพอสมควรมัน ก, ก็สามารถที่จะให้กายส ง, งบให้วาจาส ง, งบให้จิตหลุดพ้นกิเลสบางระดับได้ก็สามารถที่จะโดยเสด็จรอยอยู่คนบาศของพระพุทธพระภลาจารย์ได้อยู่เพียงแต่ว่าให้พยายามแต่นั้นเองหรือไม่คิดปรุงเรื่องเหมือนเรื่องไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่นํามาคิดแล้วก็พยายามอยู่ยังมีสติ สิ่งทั้งหลายมันหายไปแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรอะไรเนี่ยคือหมายความวม่าเราก็สัมผัสได้ระดับหนึ่งก็ในรูปของกันโดยเสด็จรอยโยคนบาทพระศาสดาเดงกท่างผังทั้งหลายแต่หลวงปพิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกางามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยท่ว ก, กันสวัสดี